ผมก็บอกซื้อๆไม่มีเงินสอแดงบอกทันทีเดีย๋ยวฉันออกให้เองเอาไปอู่ช่างน้อยเลยนะเดีย๋ยวฉันไปจ่ายสตางค์ให้แล้วอีกทีเราไปแจกต้นพ้าป่าอยู่ที่กรุงเทพเครื่องรถมันจะพังอยู่แล้วเพราะเราใช้รถเต็มที่มายาวนานเป็นปีๆพอมีรถผมก็ขับปูเลงกูเลงไปเงินก็ไม่มีซ่อมปรากฏว่าไปเจอคนมีสตางค์เข้าอีกคุณโชติมาด่านเจริญเขามาได้ยินเสียงรถผม